กระเท่านฟังคัน่นเนื่องจากวันนี้รายการสันสนีสนทนาสนทนามายาวมากเลยคงจะต้องลาไปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ว่าขอให้นำเอาผู้ทวชนะไปปฏิบัติกันเถอดนะคะชีวิตของท่านจะพบกับความสวัสดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ผู้ทวสวัสดีคะ่ะ